มรรที่ควรรู้ยิ่งที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมตตาเจโตวิมุตต์ควรรู้ย WOW. ิ่งกรุณาเจโตวิมุตต์ควรรู้ยิ่งมุทิตาเจโตวิมุตต์ควรรู้ยิ่งอุเบกขาเจโตวิมุตต์ควรรู้ยิ่งมันก็สรุปว่าพรหมิหาสรสีนั่นแหละควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งในที่นี้ก็คือควรเจริญนั่นแหละควรเจริญควรทําให้มีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็เอาพรหมิหารเหล่าเนี้มาทําปริญญามาพิจารณารบรู้เย ส่วนฌานสี่เนี่ยนะทั้งรูปฌานและอรูปฌานก็ควรรู้ยิ่งซึ่งแต่ละอย่างก็ได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วมาขึ้นหน้าสองร้อยสี่สิบเจ็ดเลยปัจจยการโดยศัพท์ปัจจายการนี่เป็นชื่อของปัจจัยนะเป็นชื่อของปัจจัยตัวปัจจัยชื่อว่าปัจจยการอันคําว่าปัจจายการกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเดียวกันผลของปัจจายการก็คือปฏิจจสมุปปนาธรรมอันนี้หมายถึง ปัจจยบันปัจยาการก็คือปัจใจนะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นชื่อของปัจจัยปฏิจจสมุปปนธรรมก็เป็นชื่อของปัจจยบันถ้ารำมเสนาบดีสารีบุตรแสดงองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทกายทุจริตเป็นต้นชื่อว่าอาวินทิยะความไม่ควรได้คือสิ่งที่ไม่ควรได้นะอวินทิยะแล้วว่าไม่ควรได้ เพระอาธ่าว่าไม่ควรบําเพ็ญธรรมชาติใด ย, ย่อมได้ซึ่งอวินทิยะนั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชชาตรงนี้นี่ฟังเข้าใจง่ายก็คือมันได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันก็เป็นจนได้เช่นกายความชั่วทางกายนะควรทํำไหมไม่ควรแต่ไอสิ่งที่ไม่ควรทํำไมทําจังอย่างเงี้ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าเพราะอาวิชชาละ วัจจีทุจริญทั้งหลายควรพูดไหมก็บอกไม่ควรพูดทําไมจึงพูดอยู่ละ่ะนี่แหละเพราะอาวิชชามโนโทุจริญทั้งหลายเช่นอับอภิชาพยาบาทหรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายไม่ควรเอาไม่ควรมีแต่ว่าก็ก็มีจนได้เอาจนได้นั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาเรียกว่าได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้สิ่งที่ไม่ควรทําเนี่ยนะทั้งวัคกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริญไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยังทํา น, นั่นแหละเพราะอาวิชานั่นแนะก็อย่าลืมว่าโดยอัตถะคาว่าอาวิชาหมายถึงไม่รู้อริยสัจนะเพราะความไม่รู้อริยสัจแท้เลยเนี่ยทําให้เขาทําความชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาคิดชั่วด้วยใจทั้งๆที่ไม่ควรบำเพ็ญไม่ควรทําไม่ควรคิดแต่ก็ยังทําก็เพราะเขาไม่เห็นอริยสัจจะทำก็เพราะเขาไม่รู้เพราะอาวิชานั่นแหละ ส่วนกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าวินทิยะควรได้เพราะตรงกันข้ามกับอวินทิยะนั้นธรรมชาติใดย่อมไม่ได้ซึ่งวินทิยะนั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชาคือความดีทางกายความดีทางวาจาและก็คิดดีทางใจเนี่ยควรทําใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้หรอกเพราะอาวิชาเช่นสมถะน่าเจริญไหมน่าวิปัสสนาดีไหมดีทําไมไม่เจริญล่ะ ก็ น, นั่นแหละเพราะอวิชามันทําให้ไม่เจริญรักษาภาวนาก็น่าเจริญพราะมิหารเมตตาดีไหมดีทําไมโกรธละ่ะนะกรุณาหน้าเห็นใจไหมเอาทําไมคิดประทุษร้ายเขาละ่ะมุทิตาหน้าบันเทิงด้วยกับเขาใช่ไหมทําไมริษยาละ่ะนะเป็นต้นคำมสกตาหน้าเอามาคิดใช่ไหมใช่ทําไมไม่คิดก็ น, นั่นแหละเพราะอวิชาสติปทานดีไหมโอ้ดีมากเจริญไหมไม่ได้เจริญ เนี่ยแหละคือเรื่องเพราะอวิชชาแท้ๆเลยนะทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้สมุทยัยยศเนี่ยนะกล่าวไปแล้วไม่ควรได้ไม่ควรทำไม่ควรเจริญอวิชชามก็ให้ได้ให้ทาให้เจริญมัคคสัตย์ควรเจริญควรได้ดีเยี่ยมอวิชชาบอกเอาไว้ก่อนไม่ไม่ยังไม่รีบร้อนอะไรมากนักคำนั้น อันก็อวิชานี่มันเป็นอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นตัวกลางกัน้นพองบอกว่าธรรมะเอกที่จะเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะที่จะเสมอด้วยอวิชชาไม่มีอวิชาเนี่เป็นตัวนิวรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดานิวรณ์ทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะกลางกั้นเป็นนิวรณ์ยิ่งกว่ า, าวิชาไม่มีอีกแล้วอวิชานี่ตัวกำบังใหญ่เลยนะลองไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจซะอย่างเดียวเนี่ยอะไรก็ทำได้หมดใช่ไหม ลองไม่รู้สัอย่างเนี่ยอย่างเราเดินทางไปที่ไหนโดยที่ไม่รู้ทิศทางเนี่ยนะลองไม่รู้สัอย่างเดียวเนี่ยทําไมจะทําไม่ ไ, มได้ความชั่วปานใดก็ทําได้หมดเนี่ยเพราะไม่รู้เนี่ยนะเพราะอาวิชชาเพราะหลายๆเรื่องที่คนตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยเพราะไม่รู้ใช่ไหมทํำหลายๆเรื่องเลยเนะกิจการหลายๆอย่างที่ทําเพราะความไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นก็ทํากันเต็มที่เลยฉะนั้นอวิชชานี่ยมันทําให้ ลงทำในสิ่งที่ไม่ควรทําแบบไม่ยับยั้งชั่งใจด้วยนะเอาเต็มที่เอาเต็มเต็มตัวเลยแหละเนี่ยด้วยอํานาจของอวิชชาข่าสัตว์ไม่ควรทําแต่ว่าก็ทําทจนได้เลยนะเจอเขาไม่ควรพูดแต่ก็พูดจนได้อย่างไงอันนี้แหละเรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นตัดใจหรื อ, อวิชาเป็นสมุทฐานไม่ควรเจริญไม่ควรทําแบบกระทมจังสรุปย่อๆว่าในแรกก่อนบอกว่า ไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ในที่สองต่อไปก็บอกกิจของอวิชาภาร ก, กิจของเขาคือปกปิดปกปิดอะไรปกปิดอัตถว่าเป็นกองแห่งขันไม่ให้ปรากฏขันทั้งหลายมันเป็นกองใช่ไหมกองยังไงกี่กองสิบเอ็ดกองอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาละเอียดเลวประณีดกลใกล้สิบเอ็ดกองใช่ไหม รูปก็สิบเอกองเวทนาก็11กองสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างละสิอดก็เลยเรียกว่าเป็นขันจักขู่สัมผัสนะนะถ้าเรามาลองสาธยายคิดง่ายๆเลยจักขู่สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณี๊ใกล้ไกลนะโสตสัมผัสทั้งที่เป็นอดีตเอ่อโสตสัมผัสชาเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณนี๊ใกล้ไกลอย่างเงี้ย กพวกนี้หน้าพิจารณามากเลยใช่ไหมเคยไหมกำลังกาลังเริ่มกาลังเริ่มอันนี้คือเราว่าเพราะผลเพราะอวิชานี่มันทำให้หน่าจเจริญเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ก็จเจริญไม่ได้นี่นแหละเพราะอวิชาส่วนต่อไปก็บอกว่าทำอัฏฐะคือความต่อแห่งอายตนะทั้งหลายไม่ให้ปรากฏ คือทําให้ไม่เห็นว่าอายตนะเนี่ยสืบต่อกันยังไงมันประชุมกันยังไงเป็นบอกเกิดอย่างไรเนี่ยอวิชาก็ทําให้ไม่รู้ทําให้ไม่เห็นสภาพที่เป็นจริงแห่งอายตนะทั้งหลายธาตุทั้งหลายสภาวะของเขาเป็นของว่างใช่ไหมนิสตาณิชีวะสุญญะสภาวะเนี่ยคือลักษณะของธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะแต่เราทั้งหลายเนี่ยคิดอย่างนั้นไหม เออเนี่ยจากขูเป็นธาตุว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลจากขู่ธาตุอ่านะเป็นธาตุที่เป็นที่ตั้งแห่งการเห็นเท่านั้นรูปธาตุจากขูวิญญาณธาตุเป็นต้นเนี่ยนะว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลเป็นต้นแต่เราก็ไม่ได้สําคัญแบบนั้นอะไรอันนี้ด้วยอำนาจอวิชชาใช่ไหมปกปิดเอาไว้ทําให้ไม่เห็นความว่างเปล่าแห่งข้าทั้งหลายแล้วก็ตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจนต้นเป็นต้นเนี่ยนะ สัตทินรีย์วิริยินรีย์สติินรีย์สมาตินรีย์ที่เป็นอ Clear ินรีย์ที่นําออกจากวัตตะน่าเจริญเป็นต้นเนี่ยนะอินรีย์บางอย่างเป็นทุกขสัตอินทรีย์บางอย่างเป็นผลของทุกขสัตเช่นเวทนาอินทรีย์บางอย่างเป็นข้อปฏิบัติเพื่อนําออกจากวัตตะอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นใหญ่ที่จะช่วยให้พ้นทุกขนะอินทรีย์ที่เป็นทุกขควรทําปริญญาอินรีย์ที่เป็นมรควรเจริญเนี่ยความเป็นใหญ่เหล่านี้น่าจะเห็นนะแต่ก็ไม่เห็นอีกเพราะอํานาจของ อวิชาเมื่อใดเนาะเปิดสงครามกับวิชากทิงอวิชาเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะะลืมตาปั๊บจกักขูจักขูสมูทยัยฉันจะไม่ยอมให้อวิชามันแทรกเลยนะเอาอย่างงี้เลยนะเอาแบบนี้ก็เขาเขาละถ้าตั้งสงครามกับวิชาได้เนี่ยแต่แค่นี้ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องรู้อวิชามันปิดอะไรไว้บ้างนะไม่ใช่เดี๋ยวไปก่อนในสิ่งที่อวิชช่วยปิดด้วยกิ่งไปกันใหญ่ลนะ ทำอาธรรมคือความจริงแห่งสัตว์จะทั้งหลายไม่ให้ปรากฏฉะนั้นจึงชื่อว่าวิชาทุกสมูทายนิโรธมรรคเนี่ยนะน่าปรากฏเช่นจักขู่จกักขูสมูทายจากักขูนิโรธน่าเห็นมากเลยนะแต่ก็ไม่เห็นเออนะน่าจะเห็นอริยสัจบ้างแล้วนะน่าจะมองเห็นนะ ท, ทั้งที่พูดกถึงก็บ่อยอะไรก็บ่อยเป็นต้นเนี่ยลืมตาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมจักขู่จักขู่สมูทายมันน่าจะแค่น้อมไปนึกยังยังยากเลยนะ คุกาตาล น, นึกบ่อยไหมจากโคจากโคสมุไทยจากโคนิโรจากโคนิโรถ้าคำไม่มีปฏิปทาเ น, นี่ยนะบ่อยใช่ไหมบ่อยนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้ง อ, อ๋อวันหนึ่งเป็นสิบครั้งนะดีดีนะบ่อยกว่านั้นดียิ่งดีก็น่าจะไปคิดบ่อยๆนะคิดบ่อยๆโสตะโสตะสมุไทยเป็นต้นเนี่ยนะ เห็นผมก็เกษาเกษาสมุทยัยเกษานิโรธก็มันเยผมควรกำหนดรู้ผมสมุทัยควรละเนี่ยนะกพาสาทยายพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันยังจะพ อ, อยังพอจะมีวิ ช, ชาขึ้นมาบ้างแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหลับสนิทเลยเนี่ยนะวิ ช, ชาที่นั่นแหนละเพราะทำสัจจะทั้งหลายความจริงแห่งทุกข์ก็ไม่ให้ปรากฏความจริงคือสมุทัยก็ไม่ยอมให้ ปรากฏความจริงคือนิโรธก็ไม่ยอมทําให้ปรากฏแล้วก็ความจริงคือมรรคก็ไม่ยอมทําให้ปรากฏอ น, นั่นเป็นอวิชชาหรือทำอัฏฐสี่ประการด้วยสา ม, มารถแห่งปีลณนะบีบคั้นเป็นต้นแห่งทุกข์ไม่ให้ปรากฏจึงชื่อว่าอวิชชาทุกข์มีลักษณะว่าบีบคั้นใช่ไหมสมุทยัยทุกบีบพั้นทุกอะไรเบียดเบียนเร่าร้อนเดี๋ยวจ้หลายคนก็จําได้กันเยอะแล้วเนาะดีละดีละ อยู่ข้อ45นะหน้า273อัตถกถาก็หน้า302นะเช่นดูตัวอย่างข้อ45นะทุกเนี่ยเพราะอาตราว่าบีบคั้นใช่ไหมทุกอันปัจจัยปรุงแต่งทุกทำให้เดือดร้อนทุกเป็นสภาพที่แปรปรวนอันนี้อัดเหล่านี้ควรเห็นแต่ว่าสมุทยัยอาวิชาเนี่ยปิดไม่ให้เห็นหรอกเราลองยกตัวอย่างมาลองมาไล่เทียจากขู่เนี่ยบีบคั้น จักรโคเนี่ยนะจกเบียดเบียนใช่ไหมจกักรโคนี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งจกักรโคนี้ตัวเขาเองก็เดือดร้อนแล้วก็ทําให้เดือดร้อนด้วยจักขโคนี้ก็แปรปรวนอัดอันนี้น่าเห็นใช่ไหมแต่ว่าอาวิชาปิดไม่ให้เห็นหรอกสมูทายนี้พระอาถรว่าประมวลมาสมูทายนี้เป็นอาถรว่าเป็นเหตุสมูทายเกี่ยวข้องสมูทายนี่ยพัวพันอัดอันนี้ก็ควรเห็นควรรู้ ว่าสมุทัยเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาวิชาก็ไม่ให้เห็นนิโรธเนี่ยเป็นสภาพที่สลัดออกเป็นสภาพที่วิเวกสังัดจากสังขารธรรมเป็นอสังขตะเป็นอมตะธรรมชาตินี้ก็น่าเห็นแต่วิชาก็ไม่ให้เห็นมักนี่นําออกมักเป็นเหตุมักนี่เห็นมักเป็นอธิบดีอริยมักเหล่านี้ก็น่าได้น่าเจริญน่าบรรลุน่าตรัสรู้น่ารู้แจ้งแอบวิชาก็ไม่ให้รู้แจ้ง นะซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าอาวิชานี้ทำให้ไม่รู้ไม่ให้แทงตลอดอัถฐของสัจจะดังกล่าวไปเลยทันในหน้าสองร้อยสี่สิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะว่าอาวิชานี้ปกปิดไม่ให้เห็นอัฏฐที่เป็นจริง คือไม่ให้กําหนดรู้ทุกขละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมเจรณาธรรมะอีกในหนึ่งบอกว่าธรรมชาติใด ย, ย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้เล่นไปในกําเนิดคติพบวิญญาณทิติและสัตว์ตว่าทั้งปวงในสังสารวัตอันไม่มีที่สุดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชชาก็กําเนิดที่เราได้มากันเนี่ยเราทั้งหลายเกิดกําเนิดอะไรเกิดในคันเนี่ยนะกำเนิดอันนี้ที่เราได้มาก็เพราะ อวิชชาคติเป็นมนุษย์สติพบเป็นกรมภพวิญญาณทิติแบบกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันสัตววาาก็มากลุ่มเดียวกันอันนี้มนุษย์ก่อนนะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะหลังจากนี้ไปล่ะวะตฏะทั้งหลายก็ไปไม่มีหยุดไม่ยอมเนี่ยนะแต่ความเป็นไปในวะตะที่ไม่มีพักไม่มีหยุดไม่มียอมเป็นไปเรื่อยอย่างเนี้ยเนี่ยเพราะอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เล่นไป ถ้าเป็นรถไฟนะอวิชานี่เป็นหัวจักหัวลากอย่างดีเลยนะตัวลากหรือตัวดันประกันว่าอาวิชามันเป็นตัวลากหรือตัวดันดีเป็นหัวรากทั้งหัวลากทั้งตัวผลักดันด้วยนะเอาหมดนะอวิชานี่เข้าเป็นอย่างนั้นนะพาเล่นไปคือถ้าพูดอย่างงี้นะเราก็นึกไม่ค่อยออกเนละ อวิชามันพาให้เราไปเห็นอริยสัจนี่เคยมีไหมอาว่าวิชาเป็นหลักเลยนะไปเรื่อยเดี๋ยวก็เขามีลทัทธิอยู่ลทัทธิหนึ่งที่ญี่ปุ่นมีนิกายนิกายหนึ่งเขาบอกว่านักบวชของเขาเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วก็สละทุกอย่างเลยถือแต่บริขารแล้วก็จาริกไปยี่สิบปีจะเป็นพระโสดาบันกว่านั้นไม่รู้ว่าเข้าใจธรรมะอะไรไม่ทราบนะแต่ว่าจาริกไปเรื่อยเป็นสิบสิบปีแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันเอง จารกอย่างนี่ยิ่งตลอดชีวิตด้วยยิ่งบรรลุเลยทีเดียวงั้นก็คิดดูไปมากๆงั้นจักเห็นรือเนี่ยนะคือไอ้อ ไ, อ ไ, อไปหรือไมไ่ไปไม่ได้ที่เห็นเพ้าไปหรืออยู่หรอกเพราะว่าอาริยมรรคโสดาติมรรคมันเป็นทัศนามาตรใช่ไหมมรรคที่เห็นอริยสัจถามว่าไปอย่างนั้นมากๆจะเห็นอริยสัจขึ้นไหมถ้าไม่ได้ตั้งใจที่หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจอยู่แล้วเนี่ยไปอย่างไรก็ไม่เห็นอริยสัจแน่นอน ไเดจะไปสักเท่าไหร่ก็ช่างเถอะถ้าไม่ได้ไปเพื่อต้องการรู้อริยสัจไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจจะไปกี่ภพกี่ชาติเกิดกี่หวนกี่แห่งก็ไม่ได้ทำให้รู้อริยสัจอะไรขึ้น